แนะนำบทอัลอิมฟิตอร์บทอัลอิมฟิตอร์เป็นบทมักกิยามี19องค์การบทได้เริ่มต้นด้วยการชี้แจงถึงภาพลักษ์ของการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นในจักรวาลเช่นการแตกของชั้นฟ้าการร่วงหล่นของดวงดาวการเอร่อล้นของทะเลการพลิกกลับของหลุมฝังศพตลอดจนสิ่งที่จะติดตามหลังจากนั้นคือการชำระสอบสวนและการตอบแทนแล้วได้กล่าวถึงการ ดื้อรั้นและการเนรคุณของมนุษย์ต่อความโปรดปรานแห่งพระเจ้าของเขาโดย e ที่เขาได้รับความโปรดปรานอย่างล้นเหลือจากพระองค์แต่เขาไม่รู้คุณค่าจากความโปรดปรานนั้นๆไม่รู้จักคุณค่าแห่งพระเจ้าของเขาและไม่ขอบคุณต่อความดีงามและความโปรดปรานที่เขาได้รับต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงสาเหตุแห่งการดื้อรั้นและการปฏิเสธนี้โดยชีย้แจงว่าอโลทรงมอบหมายให้มาลายกาบันทึกการทํางานของมนุษย์ทุกคน และติดตามการการะทำของเขาบท น, นี้ได้กล่าวถึงการแบ่งมนุษย์ไว้ในวันกิยามะออกเป็นสองพวกคือพวกคนดีมีคุณธรรมและคนชั่วผู้กระทำผิดพร้อมกับได้ชี้แจงถึงบรรั้งปลายของทั้งสองฝ่ายบท น, นี้ได้จบลงด้วยการวาดภาพแห่งความยิ่งใหญ่และความน่ากลัวของวันกียรมะในวันนั้นทุกชีวิตจะปราศจากซึ่งพลังและอำนาจใดๆ และอองค์เดียวเท่านั้นเป็นผู้ส่งอำนาจด้วยพาระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอถถเมื่อชั้นฟ้าได้แตกและเมื่อบันดาดวงดาวหล่นกระจัดกระจาย และเมื่อทะเลได้เอ่อล้นและเมื่อหลุมฝังศพถูกพลิกกลับทุกชีวิตจะรู้ถึงสิ่งที่ตนได้กระทำไว้ก่อนและสิ่งที่ได้กระทำในภายหลังโอมนุษย์เอ๋ย อะไรเล่าที่ล่อลวงเจ้าให้หันเหออกจากพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงใจบุญผู้ทรงบังเกิดเจ้าและผู้ทรงทำให้เจ้าสมบูรณ์แล้วทรงให้เจ้าสมส่วนในรูปใดที่พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทรงประกอบเจ้าขึ้น ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าพวกเจ้าปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนต่างหาและแท้จริงมีผู้คุ้มกัน ร, รักษาพวกเจ้าอยู่คือมาลิกะผู้ทรงเกียรติเป็นผู้บันทึกยลลมม พวกเขารู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำแ ah ถ้าจริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมนั้นจะอยู่ในความโปรดปรานและถ้าจริงบรรดาคนชั่วจะอยู่ในนรกพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในกองไฟนั้นในวันแห่งการตอบแทน อบบและพวกเขาจะไม่เป็นผู้ออกจากมันคือจะอยู่ในนั้นตลอดไปวาอดและนุายเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไรแล้วอะไรเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าวันแห่งการตอบแทนนั้นคืออะไร วันที่ชีวิตหนึ่งจะไม่มีสิทธ์ช่วยเหลืออย่างใดแก่อีกชีวิตหนึ่งได้และกิจการในวันนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ